คืออายพรเกินผู้ชายพ่ามียินงออกตั้นแต่เป็นบบาวอายพรเคยพบจุ่ยินลีวายกับเ่าจากทืองส่งที่เพื่อนฟูกลับจากเมืองทุงเ่าถึงมาเพืออายตาใสจนสีเตาบะเนื้อไลยทำทายพราะปานกับเ็ก ก้งามเพื่อน้องน่นเลยไปมองคนมียี่หอนุ่มราชการขับเก่งมารกทนาพนอเอาใจคักแน่ขักขโพดน้เดินเจ้าเบิดเทอร์ปาดผุบงอยขั้นเทกูบาวสองนอยี่ห้ออยากแปกเจ้าเลยบ่แนมแม่เพียงทางตา รถการตามเพ่งตายขาดพพรอยิงจนปนส่งหัดไปเจ้าหมอองว่าสนั่งจิตยาดองยิห้อนน้องที่เส้นเขามาเบิ่งเขาควงน้องไปต่อหน้าเย้ ย, ยวาดสนาคนทุกจังอ้าย คนคืออายย้อนหัวใจบ่มียี่ห้อแต่แต่แอบับข้างเดียวก็ดกบชูปาพทาบน้องอย่ามองไกลไกลอินบ่มีดีกลีทาจบไปนี้ยิ่ห้อคุณนายคนบ่มีเือแบบายเหนื่อยได้หัวใจยี่ห้ออกท ตาฮตามเก่งตะยังขาดเพราะยิงจนต น, นส่งฮัดไปเจ้าบ่เมว่อสานั่งจิตยาดอมยีห่อ น, น้องที่เส้นเขามาเบิงบ่งเขาควางน้อมไปต่อหน้าเย้ยวาสนา้ทนทุกข์จันทรย คนคืออายย้อนหัวใจบ่มียิ่หอแต่แต่แอบพับข้างเดียวก็จบชูปากหากน้องอย่ามองปลลายินบ่มีดีดีกนี่ท้าจไปมียิ่หอบคุณอาย คนบ่อนี้เพื่อนแบบจัดไอ้เลยได้วัวใจยี่หอกอับคนบ่อนี้เพื่อนแบบจักไอ้เลยได้หัใจยี่หอโอกหับ